พระพรหมทรงเลือกตั้งตามตำอาตามนามคำร้องนะคะว่ารุทอนค่ะซึ่งแปลว่าร้องไห้ซึ่งต่อมาก็คือพระศิวะหรือว่าพระอิศวร น, นั่นเองค่ะ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 พระอิ่วนทรงมุ่นมวยแบบฤษีหรือว่าทรงอินทรชดานั่นเองค่ะมีพระจันทร์เป็นปิ่นจึงได้ชื่อว่าจันทราเสขอนพระจันทร์ที่เป็นปิ่นนั้นบางครั้งเราก็เรียกว่าปิ่นพระศิวะหรือว่าศิวะเสขอน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 องนารายจึงอวตารเป็นนรสิงค์มีหน้าเป็นราษฎร์สีตัวเป็นคนมีพันมือเล็บแหลมคมนรสิงค์จับตัวหิรันตะอสูนได้และฆ่าที่ประตูเมืองด้วยกรงเล็บในเวลาสนธยาบางทีผู้ขอหรือตรีบูรัมขอมิให้พระนารายปราบได้พระอิศวรก็ประทานพรให้คราวนี้พระอิศวรจึงต้องลงมือปราบเองมีกล่าวไว้ในเรื่องรามเกียรติว่าอันตรีบูรัมขุนมาน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 หากจะลองก็ลองกับตนเองได้นี่นาพฤะสกาสุนเชื่อมานบแปลงจึงใช้มือแตะที่ศีรษะตนเองพฤกษากาสุนก็เลยตายสมพรในตำรารําโกบินปุราณนะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระอิศวรอยู่ด้วยซึ่งต่อมากลายเป็นเทวรูปพระอิศวรปรางนาตราษเรื่องมีอยู่ว่าพระอิศวรเป็นครูฟ้อนราในการครั้งหนึ่งมีพระฤาษีพวกหนึ่งตั้งอาศัอยู่กับเมียในป่าตารกะ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 พระอิศวรจึงเอาพระบาทข้างหนึ่งเหยียบยักษ์ข้อมไว้แล้วส่งฟ้อนรำต่อจนจบเหล่าฤาษีเมื่อรู้ความจริงจึงขอขมาต่อองค์พระอิศวรพระองค์ก็มีได้ท่งเอาโทษจากนั้นก็ทรงเสด็จกลับไปยังเขาไกไรลาส่วนพระนารายคะก็เสด็จกลับไปยังเกษียนกเกษียณสมุทรนะคะครั้งนั้นค่ะพระอนันตนาคราชได้เห็นพระอิศวรสรงฟ้อนรำอัน ง, งดงามก็อยากชมอีก พระนารายณ์แนะนำให้บำเพ็ญตะบะที่เชิงเขาไกรลาศพระอนันตคขราชก็ทำตามคำแนะนำแล้วจึงขอพรพระอิศวนว่าขอดูการฟ้อนรำอัน ง, งดงามนี้อีกสักครั้งพระอิศวนจึงประทานพรให้ส่งตรัสนคว่าจะลงไปร่ายรำให้ชมยังเมืองมนุษย์ที่ตำบลจิตธรรมพรมครั้นถึงวันกำหนดก็ส่งลงไปฟ้อนราให้พระอนันตค ร, ราชชม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 แดขามีเล็บแหลมคมประดุดเล็บสิงโตมีหางยาวแล้วเข้าฉีกร่างของนรสิงห์จนตายแล้วนำเอาหนังมาสวมใส่เป็นอาภรณ์จากนั้นก็เสด็จกลับเขาไกราลาศนั่นเองค่ะพระนารายณ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอีกพระองค์หนึ่งค่ะซึ่งพระเป็นเจ้าหนึ่งในสามของพราหมณ์มีพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์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 ปางที่2นะคะของพระนารายคาเรียกว่าปางกุร์มาวตาลหรือว่ากัจฉาปาวตาลค่ะทรงอวตารเป็นเต่ายักษ์เพื่อหนุนเขามันทอนในคราที่มีการพวนเกษยกรเกษียณสมุทนะคะเพื่อทำน้ำอามฤตค่ะพระนารายเกเรงนะคะว่าโลกจะทะลุถึงอวตารเป็นเต่ายักษ์เพื่อไปนหนุนเขามันทอนไว้นั่นเองนะคะ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 อีกปางหนึ่งนะคะคือปางที่5ค่ะเรียกว่าปางทวิชาวตานหรือว่าเป็นครมหนุ่งนะคะส่วนปางที่6ค่ะเรียกว่าปางปางรามสูนนะคะปางปะอ่าประสุรามาวตานนะคะปางที่7ค่ะชื่อว่าปางรามาวตานนะคะหรือว่ารามาจันทรวตานนะคะองค์อวตารเป็นพระรามเพื่อไปปราบเท้า